นึกไม่ออกหนาว่ า, าจะเรียนอะไรกันจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยไม่มีจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะเราไปปลุงขึ้นมาเองทั้งหมดแหละโลกนี้โดยตัวของมันว่างเปล่าไม่มีอะไรถ้าเราเข้าใจเรากระทําเป็นอันเดียวกันนะเห็นไหมโลกนี้ไม่มีอะไรว่างตัวเราก็ไม่มี ถ้าเป็นส่วนหนึ่งของโลกโลกมันมีอยู่อย่างนี้แหละแต่มันว่างเปล่าใจเวลาเราสัมผัสกับโลกมันจะไม่มีอะไรสะดุดขึ้นมาเลยแต่ของพวกเราเวลาดูแล้วสะดุดรู้สึกไหมเจอคนนี้ปุ๊บสะดุดนี่คนนี้เจอคนนี้ปุ๊บสะดุดนะเจอหมา ก, ก็สะดุดเจอแมวก็สะดุดเจอต้นหมากลากไมก้สะดุดหมดเลยนะคือไม่ว่าไปรู้อะไรก็ไปสำคัญมั่นหมายขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนทั้งหมดเลย พอใจเราภาวนาเป็นเป็นอันเดียวกับทรแรลนะ้ะเห็นโลกว่างมองนะไม่มีจะว่ามันเรียบก็ไม่ใช่นะมันไม่มีมันมีแต่มันไม่มีอะไรมันความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเลยมันไม่มีสะดุดขึ้นมาเป็นคนเป็นสัตว์เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นอะไรนะนี่พอใจเราเห็นโลกนี้ว่างเปล่า ตัวเราก็ไม่มีเนส่วนหนึ่งของโลกโลกก็มีแต่ไม่มีอะไรอย่างนี้ใจอยู่กระทำในอันเดียวกระทำมีแต่ความสุขล้วนๆเลยมันไม่มีภาระที่จะต้องแบกหามอะไรสักนิดเดียวสบายสบายมากนะ <c oughs> แต่ก่อนโ น, น้นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาแล้วนี่ก็เห็นโลกนี้ว่างเปล่าไม่มีอะไร ไม่รู้จะบัญญัติอะไรขึ้นมานัเลยไม่รู้จะพูดยังไงนะอยู่เฉยๆยสบายกว่าพระพุทธเจ้าลําบากในการบัญญัติสิ่งที่ไม่มีให้มันมีขึ้นมานต้องบัญญัติสิ่งที่ไม่มีไม่มีอะไรไม่มีตัวไม่มีตนอะไรเงรี้ยให้มันมีขึ้นมาเพื่อจะเอามาพูดสร้างบัญญัติขึ้นมางั้นบัญญัติสังเกตให้ดีเวลาท่านพูดถึงทำแท้ๆบัญญัติของท่านจะเป็นเชิงปฏิเสธ ว่างไม่มี เ, เนี่ยอะไรเงี้ยว่างเปล่าไม่มีตัวมีตนอันนี้ก็ไม่ใช่นะอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะอย่างน้อยก็ไม่ใช่นะไม่ใช่อะไรสักอย่างก็ไม่ใช่อีกนะเน่ยทํามะมัจะออกอพูดออกมาแล้วมันจะเป็นเชิงปฏิเสธนี้พอปฏิเสธพอคนฟังเนี่ยฟังด้วยใจที่มีมิจฉาทิฏฐิก็เลยคิดว่าว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยทั้งจริงมันมีมีแต่ไม่มีอะไร บางวันใจเราอยู่กับธรรมะนะให้พูดธรรมะนี่ยากที่สุดเลยไม่มีอะไรจะพูดนะไม่มีอะไรกะพูดหลวงปู่ ด, ดนท่านใช้คำว่ามันเหนือคำพูดเนือคพูดการจะต้องค้นคว้าแล้วบัญญัติขึ้นมาเนี่ยเป็นภาระภาระกับจิตเป็นการใช้ธาตุใช้ขันธ์ทำงานมนะันก่อนเนาะหลวงพ่อ ไม่ค่อยได้ฟังธรรมะที่สะใจมานานแล้วธรรมะที่สะใจทั้งสุดท้ายที่ได้ยินนะคือหลวงพ่อคำเขียนไปหาท่านไปเยี่ยมท่านไม้สบายเมื่อเดินพฤศจิกาท่านบอกโอ๊ยผมไม่มีอะไรแล้วผมอยู่กับความไม่มีไม่เป็นอะไรหรอกอุสะใจสะใจจริงๆจริงๆเราอยู่กับความไม่มีไม่เป็น แต่ความสำคัญมั่นหมายของเราเพรความเห็นผิดนะสำคัญว่ามันมีมันเป็นขึ้นมามันมีเรามีเขาขึ้นมากว่าเราจะข้ามทิฐิที่ว่ามันมีเรามีเขาขึ้นมาได้นี่นะข้ามยากอันนี้เป็นทะเลหรือเป็นมหาสมุทรอันแรกนะของผู้ปฏิบัติเรียกว่าโอคะโอคาว่าพ่วงน้ำพ่วงมหาสมุทรอะไรเงนะี้ยมหาสมุทรในโลกมันมีกี่อันจำไม่ได้แล้วเคยเรียน แต่มหาสมุทรในการปฏิบัตินี้มีสี่อันนะต้องข้ามให้ได้ให้หมดเลยมีทะเลอยู่สี่ทะเลถ้าข้ามได้หมดก็จะเอาตัวรอดได้มหาสมุทรอันแรกเลยทิฐิือ ท, ทะเลคือทิฐิคือความเห็นผิดของเรานี่แหละเราไปเห็นผิดในของที่ไม่มีตัวมีตนว่ามีตัวมีตนขึ้น ม, มาเวลาเราเมาโลกนะสะดุดปั๊บขึ้นมาเลยเกิดเราเกิดเขา เกิดสัตว์เกิดคนเกิดต้นไม้เกิดสิ่งโน้นเกิดสิ่งนี้โลกนี้ลุ่มลุ ม, มดอนๆอนในทางมหายานนะเคยมีสูตรอยู่สูตรหนึ่งรสาลีบุตรไปบอกพระพุทธเจ้าบอกพระองค์คงสร้างบารามีไม่ค่อยดีเท่าไหร่พุท ธ, ธเกษตรของหรือโลกของพระองค์เนี่ยดูลุ่มลุ่มดอนดอ น, ดอนพวกพระโพ ธ, ธิสัตว์ก็เถียงบอกไม่จริงหรอก พระเศษของพระพุทธเจ้านี่เรียบเลยราบเรียบไปหมดเลยไม่มีความเป็นรุ่มเป็นดอนไม่มีอะไรสะดุดขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนได้เลยมันว่างเปล่าแต่ไม่ใช่ว่างแบบไม่มีอะไรจริงๆนี่ก็แต่งเกินไปพระสารีบุตรไม่ได้โง่ขนาดนะั่นหรอกนะ <c oughs> สาวกรุ่นหลังๆภาวนาไปยังเห็นโลกว่างได้เลยในพระสารีบุตรท่านจะไม่เห็นยังมิจฉาทิฏฐิ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 เป็นคนดีเป็นคนเลวเป็นพวกทุศีลเป็นพวกมีศีลแบ่งตัวเองเออกไปจากธรรมชาติซึ่งไม่มีอะไรอยู่แล้วเสมอภาคกันทั้งหมดพอมีตัวเราขึ้นมาก็มีมิจฉาทิฏฐิต่อไปอีกถ้าตัวเราตายไปเนี่ยเราไปเกิดอีกตัวเราเที่ยงจิตเรานี้เที่ยงร่างกายแตกสลายไปจิตนี้ยังไปเกิดได้อีกนี่ก็มิจฉาทิฏฐิแขนงหนึ่งเรียกว่าสัสตาทิฏฐิ อีกพวกหนึ่งเห็นว่าตัวเรามีอยู่หน้าตายไปแล้วก็หายไปเลยนี่ก็เป็นวิชฉาทิฏฐิเรียกว่าอุเฉททิฏฐิรากเงาของมันก็เริ่มมาจากความมีตัวเรานี่แหละมีตัวเราแล้วก็มีตัวเราอย่างเที่ยงแท้ถาวรหรือมีตัวเราชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็หายสาบซูลไปทะเลทิฏฐิเนี่ยจะข้ามได้นะต้องเป็นพระโสดาบันเงรนั้นสีทะเลเนี่ยพวกเรายัางข้ามไม่ได้สักทะเลหนึ่งนะ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 เวลาดูเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์มันจะรู้สึกว่าเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งมีช่องว่างนะไม่ไม่เป็นอันเดียวกันมีช่องว่างมาขั้นเวลาดูจิตที่เป็นกุศลอกุศลนะเห็นเลยอกุศลหรือกุศลทั้งหลายนะกับจิตเนี่ยโคด้านกันมีช่องว่างมาขั้นพวกเราดูออกแล้วใช่ไหมนี่เราดูไปเรื่อยนะนใจเราตั้งมั่นนะมันจะสักว่ารู้สักว่าดูได้เสร็จแล้วปัญญามันถึงจะเกิดเนี่ยจะเห็นเลยทุกสิ่ง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 เหลืออีกสามทะเลข้ามยากนะทะเลหรือโอคะตัวต่อไปคือกามข้ามยากพวกเราเห็นแต่กามมาคุณเราไม่เห็นกามมาโทษนึกเราข้ามไม่ได้กามคืออะไรกามก็คืออารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจอย่างเราเห็นรูปที่สวยๆรูปนั้นเรียกว่ากาม หูเราได้ยินเสียงที่เพลาะเพลาถูกอถกถูกใจนี่เรียกว่ากามกลิ่นหอมหอมถูกอกถูกใจก็เรียกว่ากามรสอะไร อ, อร่อยก็เรียกว่ากามสัมผัสที่นุ่มนวลอบอุ่นบสบายอะไรเงี้ยก็เรียกว่ากามการคิดคำนึงถึงอารมณ์เหล่านี้เป็นกามทางใจเรียกว่ากามธรรมพวกเราเกิดมาแล้วก็สแสวงหาแต่อารมณ์ที่เพลิดเพลิน พ, พอใจมาตลอดชีวิต เราเห็นว่าถ้าเราได้อารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจแล้วเราจะมีความสุขนั้นเราเห็นว่ากามนี่นำความสุขมาให้ยากหนักยากหนานะจะกล้าข้ามพ้นอํานาจของกามได้ถ้าไม่ใช่พระอนาคามีข้ามไม่ได้นี่ทํำยังไงถึงจะข้ามพ้นทะเลอันที่สองคือทะเลกามเคยได้ยินใช่หไหมคนชอบพูดทะเลกามแต่ไม่มีคนพูดทะเลทิฏใช่หไหมเพราะอะไรเพราะไอ้คนพูดเนี่ยมีทิฏอยู่ ก็พูดไปอย่างงั้นแหละทะเลการมข้ามยากข้ามยากต้องรู้ลงมาอีกรู้ลงมาในกายในใจเนี่ยนะมากๆจนวันใดเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเนี่เห็นอย่างนี้นมันจะหมดความเพลิดเพลินยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพอทะทั้งหลายหมดความติดอกติดใจในกรรมอาคุณทั้งหลายมันหมดของมันเองนะถ้ามันเห็นไอตัวนี้อย่างสังเกตไหม ไอคนไหนเจ้าชู้มากๆนะเกิดเจ็บหนักใกล้จะตายนะหรือตัวเป็นแผลทั้งตัวแล้วอะไรมาถูกนิดนึงก็แสบก็ปวดเนี่ยให้มันไปกอดนางงามจั ก, กรวาลมันก็ไม่เอานะเพราะมันไม่มีความสุขแนละ้วเียถ้าเมื่อไรเราเห็นอากายนี้ตัวทุกข์ล้วนๆนะมันจะไม่สนใจกามลนะจะไม่สนใจกามตาเห็นรูปจาสักว่าเห็นเลยไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับมันแนละ้ว ได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสจิตใจยังไม่ยินดีินร้ายมันไม่รักกายมันก็จะไม่รักกรรมไอทะเลทิฐิเนี่ยเหมือนทะเลที่กว้างนะถ้าเทียบเหมือนทะเลที่กว้างขวางไร้ขอบไร้เขตลงเข้าไปแล้วไม่รู้จะไปทางไหนเลยไม่รู้เหนือรู้ใต้ฉะั้นปุถุชนทั้งหลายเนี่ยลงอยู่ในทะเลที่ไม่รู้ว่าฝั่งอยู่ทางไหนมีพระพุทธเจ้ามาบอกทางว่าทางนี้ทางนี้นะคนที่รู้ทางนะ นี่คพระโสดาบันู้แล้วไปทางนี้แหละลอดภัยงั้นจะข้ามทะเลทิชชีได้นะยากเป็นทะเลที่กว้างไรขอบไรเขตดูอะไรดูไม่ออกหรอกดูยากจะข้ามได้ด้วยการที่เห็นลงมาในกายในใจว่าไม่ใช่เราทะเลกามนี่จะข้ามได้เมื่อหมดความยึดถือกายหมดความยึดถือในกายอัดจากนั้นเหลืออีกสองทะเลนะ คือะเลของภพกับทะเลของอวิชชาเรียกว่าภาวะโอค่ะกัอวิชชาโอค่ะโอค่ะคือ พ, พอภพอคคืออวิชชาพวงน้ำภพคืออะไรภพคือการทางานของจิตสังเกตไหมพวกเราภาวนาเห็นไหมจิตทางานทั้งวันทั้งคืนหมุนจีจีจทั้งวันทั้งคืน แม่จิตเดี๋ยวก็วิ่งพล่านพล่านไปทางตาเดี๋ยววิ่งพล่านพล่านไปทางหูวิ่งพล่านทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทํางานทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดพักเลยจิตนี้สร้างภบสร้างชาติหมุนติ้วติติตต้อยู่ภายในตลอดวันตลอดคืนจะข้ามมันไม่ใช่ง่ายนะแค่เห็นมันยังยากเลยภาวนากว่าจะเห็นจิตที่ไปทํางานตัวนี้ยังยากแสนเข็ดเลยรู้สึกไหมจะข้ามทะเลของภบได้นะ พเนี่ยเหมือนทะเลที่น้ําเชี่ยวเชี่ยวเพราะหมุนจี๋จีจีทั้งวันทั้งคืนนะเดี๋ยวซัดไปตรงโน้นซัดไปตรงนี้นะกระแสะน้ํานี้รุนแรงกระแสะน้ําที่ซัดจิตใจเราวิ่งไปวิ่งมาพล่านพล่านทำงานไปในพบก็คือตันหานั่นเองตันหาเป็นเหมือนคลื่นคลื่นลูกใหญ่เลยนะเหมือนกระแสะน้ําเชี่ยวที่ซัดเราไปซัดไปไม่รู้ทิศทางเลยนะสร้างพบไปเรื่อยเดี๋ยวไปเกิดที่ตาเกิดที่หู เกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเนี่ยจะข้ามภพข้ามชาติได้ก็ต้องละตัณหาได้นี่ตัณหาเกิดจากอะไรตัณหาเกิดจากอาวิชชานี่ทะเลตัวสุดท้ายเนี่ยข้ามยากที่สุดถ้าข้ามตัวนี้ได้นะก็จะหลุดจากไอ้น้ําเชี่ยวนี้ได้ด้วยอวิชชาเหมือนทะเลหมอกน้ําสงบนะไม่มีคลื่นไม่มีลมสบายๆแต่เหมือนมันหมอกปกคลุมจนไม่รู้อะไรเลย บางทีเราอยู่ห่างฝั่งใช่ไหมถูกคลื่นซัดตูมตามตูมตามกระเสือกกระสนเข้ามาจนจะถึงฝั่งอยู่แล้วเกิดถึงฝั่งนะมันมีหมอกลงเนี่ยมองไม่เห็นแล้วว่ายไปไว่ายมาว่ายออกทะเลลึกเปกแล้วนั้นข้ามอาวิชชานี่ยากที่สุดเลยทะเลตัวนี้จะข้ามได้ต้องเห็นอริยสัจเห็นไม่เหมือนกันนะเห็นไหมเห็นอริยสัจเห็นแจ้งอริยสัจ อริยสัจ ท, ที่ตัวลึกซึ้งที่สุดเลยคือการเห็นว่าจิตเป็นทุกข์นี่เราภาวนาไปนานเราเห็นได้จิตเป็นสุขจิตเริ่มสงบแนละ้วข้ามทะเลโน้นทะเลนี้มาถึงพบที่สงบพบที่ไม่มีคลื่นมีลมแล้วจิตใจก็พอใจรักใคร่พอใจอยู่แค่นี้แหละสบายใจแล้ว <c oughs> เสร็จแล้วก็ว่ายกลับไปกลับมานะถูกคลื่นซัดออกไปอีกละถ้าเป็นปุถุชนเนี่ยซั์ไปหาทิฐิเลย เกิดวิชาทิฏฐิได้เรื่อยๆนะถ้าไม่ใช่พระนาคาเนะี่ยก็หลงไปในกามได้อีกนะงั้นแล้วมันพร้อมจะถอยหลังได้ น, ะนี่จะมีอวิชชาจะล่าอาวิชชาได้นะต้องรู้อริยสัจ ร, รู้ลงมานะกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเลยพวกเรามีแต่อวิชชาเราเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนี่อวิชชานะอวิชชาพาให้เห็น ในสารภาพมามีใครรู้สึกไห้ไกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างมีไหมสารภาพมีผู้ผู้ร้ายปากแข็งครึ่งห้องนะไม่ยอมสารภาพพวกเรารู้สึกไหมจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเห็นอย่างนี้แหละอวิชชาถ้าเห็นอย่างมีวิชาก็จะเห็นว่าขันห้าเป็นทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างทั้นเห็นยากนะ ถ้าสติสมาธิปัญญาไม่แก่กล้าพอมันไม่เห็นขันห้าเป็นทุกข์ล้วนๆโดยเฉพาะจิตเนี่ยจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้สงบสะอาดสว่างแม่ฟังแล้วดีทั้งนั้นเลยใช่ไหมจะให้เห็นว่าเป็นทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ง่ายนะปฏิบัติกันปางตายเลยหละ่ะเหมือนเอาชีวิตเข้าแลกเลยนะถึงจะเห็นนั้นทะเลตัวนี้ทะเลอวิชาเป็นทะเลที่เรียบๆนะแต่ยากสุดๆเลยยากมากเลยจับต้นจับปลายไม่ถูกนะ มีแต่เรียนรู้นะมาตามลําดับลําดับรู้ ก, กายรู้ใจมาตามลําดับพอรู้กายถูกต้องแจ่มแจ้งได้ผ้านักขาจิตใจก็จะสบายขึ้นเยอะเลยจะไม่แสบสายไปทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้จะเหลือแต่ความสงบสุขอยู่ภายในเพลิดเพลินอยู่กับความสงบสุขภายในจิตในใจของเราเองนี่เองแต่มาสติปัญญาแก่รอบลงมามเห็นเลยตัวจิตตัวใจที่ว่าสุขว่าสงบเนี่ยเอาเข้าจริงเป็นตัวทุกข์ล้วนๆวันนี้ไม่รู้จะพูดภาษามนุษย์ยังไงนะ ฟังเอาไว้ก็แล้วกันมันเห็นเป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไหร่นะมันจะทิ้งแล้วจะวางถ้ายังเห็นทุกข์บ้างสุขบ้างมันไม่วางหรอกมันทุกข์ล้วนๆโอ้ขันห้าเป็นทุกข์ล้วนๆตันหาจะดับทันทีเลยเมื่อมันเป็นทุกข์ล้วนๆแล้วจะอยากให้มันสุขได้ยังไงอะมของเรามีตันหาขึ้นมาเพราะอยากให้ขันห้ามีความสุขรู้สึกไหมอยากให้ขันห้าพ้นทุกข์ วันหนึ่งเรียนจนกระทั่งรู้ชัดเลยขันหานี้ทุกล้วนๆไม่มีทางอยากให้มันมีความสุขแล้วไม่มีทางอยากให้มันพ้นทุกข์อีกต่อไปแล้วมันไม่สมหวังมันทุกล้วนๆเนี่ยใจเข้าถึงตรงนี้ใจยอมรับตรงนี้จริงๆน่าจะสลัดคืนเลยจะหมดตันหาแล้วก็สลัดคืนความยึดถือกายยึดถือใจให้โลกคืนเจ้าของเดิมเป็นหนึ่งจิตใจก็จะเข้าถึงความสงบสันติที่แท้จริงคือนิโรธหรือนิพพาน บางทีก็มีหลายชื่อนะอุปสัสชมาก็ได้นะมีหลายชื่อเยอะแยะเลยชื่อความจริงก็คือความสงบสันติซึ่งมันพ้นทุกข์พ้นกิเลสพ้นความยึดถือในธาตุในขันธ์ในกายในใจนี่เองพอพ้นปั๊บนะันเราจะเห็นโลกนี้มีแต่ไม่มีอะไรโลกนี้มีอยู่แต่ไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าว่างเปล่าไม่ใช่แปลว่าไม่มีอะไรเลยมันว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตน ว่างเปล่าจากกิเลสว่างเปล่าจากขันว่างเปล่าจากทุกข์มันมีอยู่ของมันตามสภาพของมันมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของมันแต่จิตใจที่ฝึกฝนอบรมจนกระทั้งไม่ยึดถือในจิตแล้วเนี่ยจะไม่ยึดถืออะไรในโลกอีก<ม>เห็นโลกนี้มีแต่ไม่มีว่างเปล่าอยู่อย่างนั้นเองจิตใจมีแต่ความสุขล้วนๆสุขแบบนึกไม่ถึงนะสุขสุขที่สุดเลยมีความสุขมากไม่รู้จะใช้ภาษาอะไร พระพุทธเจ้าท่านก็เลยใช้เอาง่ายง่ายอะนิพพานังปรมังสุขขังโคตรสุขเลยบรมมาสุขเลยไม่รู้จะใช้คำอะไรแล้วใช้คำว่าปรมังสุขขังบรมมาสุขเลยความสุขของโลกโลกที่พวกเราู้สึกนะรู้จักกันความสุขรุ่มรุ่มดันดนสุขสุขดิบดิบเป็นความสุขร้อนร้อนสุขสุขเผ็ดเผ็ดนะเผ็ดร้อนรุนแรงสุขชั่วครั้งชั่วคราวได้มาแล้วก็เสียไป กระกายหายอีกจับได้ปั๊บหลุดมือไปอีกละอย่างเี้ตลอดชีวิตเลยเดินทางในสังสารวัตรนะข้าพบข้าชาติไม่ได้ข้ามมาหาสมุทรสี่อันนี้ไม่ได้ก็ข้าพบค้ามชาติไม่ได้ดนั้นตั้งอกตั้งใจนะนแรกต่อสู้กับมิจฉาทิฏฐิของตัวเองก่อนทะเลอันที่หนึ่งมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆวิธีจะดูให้เห็นว่าตัวเราไม่มีนะไม่ใช่ไปนั่งคิดเอาว่าตัวเราไม่มี คิดยังไงมันก็เชื่อว่าฉันมีแต่ฉันแกล้งไม่มีมันจะแกล้งทำให้เรารู้ลงในกายรู้ลงในใจนะอะไรก็ได้เริ่มจากกายก็ได้ถ้าเริ่มจากกายถูกต้องก็จะรู้ใจหรือจะเริ่มจากใจก่อนก็ได้ถ้าเริ่มรู้ใจถูกต้องก็จะรู้กายด้วยจะรู้สองอันไม่รู้อันเดียวถ้าคนไหนภาวนาแล้วรู้อันเดียวทำผิดแน่นอนนะเพราะจริงๆมันมีสองอันจะมารู้อันเดียวเลือกร้นเดียวทาผิดแล้ว เช่นบางคนจะดูแต่ลมหายใจอย่างเดียวให้ลืมโลกไปเลยโลกนี้เหลือแต่ลมหายใจเนี่ยสะสมมิจฉาทิจจินะการที่จะละมิจฉาทิจจิจะรู้สึกกูเก่งกูเก่งกูบังคับจิตให้อยู่กับลมได้หรือกูบังคับจิตให้อยู่กับท้องของยุบได้จิตไม่หนีไปที่อื่นเลยกูเก่งกูเก่งความจริงต้องรู้ตามที่เขาเป็นตามความเป็นจริงของเราก็คือมันมีทั้งกายมีทั้งใจนะเดี๋ยวก็รู้กายเดี๋ยวก็รู้ใจไป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 ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าจะเห็นอย่างนี้กุศลนะกุศลทั้งหลายนะที่เรียกว่าสังขารกุศลนะกุศลทั้งหลายโลภกรงหลงทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่เราอีกดูไปอย่างนี้ตัวจิตเองล่ะจิตเดียวก็เกิดที่ตาดับที่ตาเกิดที่หูดับที่หูเกิดที่ใจก็ดับที่ใจจิตเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นไม่ใช่มีจิตดวงเดียววิ่งไปวิ่งมา ให้เห็นว่าจิตมีดวงเดียววิ่งไปวิ่งมาเป็นมิจฉาทิฏฐินะหลวงปู่ล่าปู่เจ้าก็ท่านสอนดีท่านบอกว่าถ้าใครเห็นว่าจิตผู้รู้เที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐิตัวผู้รู้เองก็ไม่เที่ยงเป็นผู้รู้แล้วก็เป็นผู้หลงเดี๋ยวก็หลงไปทางตาหลงไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยดูลงมาในกายในใจตัวเองบ่อยๆดูจนเห็นความจริงเลยมันไม่ใช่ตัวเราสักอันเดียวเลยนะร่างกายมันก็เป็นแค่วัตถุ พวกเราลองทดสอบนะอา้าวแก้ง่วงไปด้วยเอามือของตัวเองมาแล้วลองรูปดูลองสัมผัส ด, ดูไปรู้สึกไหมมันเป็นท่อนๆแข็งๆรู้สึกไหมรู้สึกนะรู้สึกไว้แล้วลองตั้งใจฟังที่มันบอกไหมว่ามันเป็นตัวเรามันเงียบๆรู้สึกไหมมันไม่พูดหรอกจริงๆเราไปขี้ตู่ว่ามันเป็นตัวเรานะจริงๆอั เ, น, เ, น, เนะนี้ยเราจับลงไปสิเป็นก้อนแข็งๆอะไรก้อนหนึ่ง ถ้าเราจับไปนะเราจะรู้สึกมันไม่มีตัวเราในก้อนนี้แล้ว <Yeah. S 1> เวลาความสุขความทุกข์เกิดขึ้นเราก็รู้ไปตรงๆเหมือนที่เรารู้สัมผัสมืออย่างเงี้ยกุศล <Yeah. S 1> นะกุศลเกิดขึ้นรู้มันเข้าไปตรงๆนั่นแหละแล้วมันจะบอกเราไหมว่าเป็นตัวเรารไม่มีพนะูดสักคำหนึ่งความเป็นตัวเราจริงๆไม่มีนะความเป็นตัวเราจริงๆเกิดจากความคิดล้วนๆเลยคิดเอาเองว่าเป็นเรานะถ้าไม่เป็นหลงอยู่ในโลกของความคิดนะ กายนี้ใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราพอเราเห็นซ้ำๆๆนะถึงจุดหนึ่งจิตมันจะรวมเข้ามายันจะเข้าสมาธิรวมเองนะตั้งแต่สัตมณชานขึ้นไปจิตมีปีติสุเกาคขาตานะมีวิตกวิจาร์คือการตรึกถึงอารมณนะ์การตรองเคล้าเคลียอยู่ในอารมณ์นั้นอารมณ์อะไรอารมณ์นิพพานจิตมันจะรวมเข้ามานะขั้นแรก รวมเข้ามาปั๊บมันจะเห็นสภาวธรรมอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าคืออะไรนะถ้ายังรู้ว่าคืออะไรเนี่ยยังเจือด้วยสมมติบัญญัติไม่ใช่ของจริงจิตจะเห็นสภาวธรรมบางอย่างเกิดดับเกิดดับเกิดดับขึ้นมาบางคนเห็นสองครั้งบางคนเห็นสามครั้งเห็นสองทีเนี่ยจิตก็วางการรับรู้อารมณ์นั้นแล้วทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้ทวนกระแสเขากลับมาหาธาตุรู้ หลังจากนั้นสิ่งที่หอ่อหุ้มปิดบงังธาตุรู้ไว้จะถูกแหวกถูกทำลายออกชั่วขณะจะแหวกออกจิตที่เป็นอิสระล้วนๆเลยที่สัมผัสกับธรรมะคือ น, นิพานล้วนๆจะปรากฏขึ้นมาเสร็จแล้วจิตจะถอยออกมานะตรงนี้ไม่มีคำพูดนะแวบเดียวเองแต่มีสติมีสมาธิมีปัญญามีอะไรพร้อมอยู่ตรงนี้เลย พอถอยออกมากลับมาสู่โลกภายนอกนี่จิตจะทวนกลับเข้าไปพิจารณาใหม่ว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นมันจะรู้เลยว่าโอ้เมื่อกี้เกิดอริยมรรคขึ้นแล้วนะสังโยชน์เบื้องต้นถูกละไปละความเห็นผิดถูกละไปแล้วกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราดูยังไงก็ไม่เป็นเราอีกต่อไปแล้วจะละความเห็นผิดได้จะหมดความลังเลสงสัยในคําสอนของพระพุทธเจ้าพวกเรายัางลังเลรู้สึกไหม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 ละความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนละความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยได้ละการถือศีลบำเพ็ญพลดแบบงมงายรูปลูบคํำๆว่าทำอย่างนั้นดีทำอย่างนี้ดีรู้แล้วว่าไม่มีทางอื่นเลยนอกจากการมีสติรู้กายรู้ใจหรือสติปัฏฐานนั่นเองนั้นในเวลาที่บรรลุพระโสดาบันไม่ใช่จิต ด, ดับนะทุกวันนี้มีคาสอนเรื่องจิต ด, ดับมากมาย คิดว่าภาวนาไปเรื่อยกําหนดไปเรื่อยนะยังจะหยิบอะไรสักอันเนี่ยกาหนดไปเรื่อยให้จิตมันแนบอยู่ที่มือเนี่ยเพ่งมากๆ า, ากนะจิตจะดับลงไปจิต ด, ดับแล้วก็สําคัญมั่นหมายว่าบรรลุธรรมแล้วดับสี่หนก็เป็นพระอรหันตะ์ออกมาจากพระอรหรันต์ก็มาทะเลาะกับเมียเหมือนเดิมเลยมนะันล่า ก, กิเลสไม่ได้จริงในขณะที่บรรลุมากคนนิพพานมีจิตแล้วไม่ใช่ไม่มีจิต ขณะที่บรรลุอริยมรรคก็มีมรรคจิตขณะที่บรรลุอริยผลมีผลรจิตมรรคจิตมีสี่ดวงผลรจิตอีกสี่ดวงที่เรีกมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนะคนโบราณชอบพูดถ้าพูดอย่างละเอียดก็มียี่สิบอย่างละยนะี่สิบเพราะว่ามันเจือด้วยฌานเข้าไปแต่ละชนิดฌานมันไม่เท่ากันมีฌานห้าอย่างนั้นจิต ที่บรรลุมรรคผลนี้รวมแล้วมีจิตทั้งสี่สิบดวงนะี่นี่พวกเรารุ่นหลังๆนะเราเชื่อคําสอนของอาจารย์มากไปเราคิดว่าเวลาบรรลุมรรคผลนี่พ่านจิต ด, ดับวูบลรไปหมดสติพอรู้สึกตัวขึ้นใหม่บอกบรรลุไปแล้วตรงที่จิต ด, ดับลงไปนั้นคืออ า, ญญาศัญยสัตตาภูมิคือกรมลูกฟักนะมีองค์หนึ่งท่านเล่นไม่กี่วันเลยเนี่ยท่านอนุศรเนี่ยท่านลังเล่นๆท่านนะดับปั๊บเลยแล้วถ้ารู้ว่าไม่ใช่ ไม่ใช่เพราะมันขาดสติออกมาแล้วไม่เห็นจะลากกิเลสอะไรเล ย, เล ย, เลยดับไปเฉยๆฝึกไม่กี่วันก็เป็นนะนี่คือการเพ่งกายเพ่งกายแล้วลืมจิตจนจิตดับลงไปเหลือแต่ากายอันเดียวล้วนๆงั้นเวลาบรรลุมรรคผลนิพพานมีจิตไม่ใช่ไม่มีถ้าไม่มีจิตแล้วใครจะรู้นิพพานนิพพานเป็นอารมณ์นะมีอารมณ์ต้องมีจิตนี่เป็นกฎนะกฎของธรรมะ ชื่อภาษไซแขกเพราะเพราะเรียกว่าทำมนียามกฎของธรรมะนี้พอได้โสดาบันแล้วเนี่ยการภาวนาก็ยังทําอย่างเก่านั่นแหละการทำภาวนาอย่างเก่ารู้กายไปรู้ใจไปมีสติรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันทีลักขณะทีลักขณะคําว่าปัจจุบันก็คือหนึ่งขณะจิตต่อหน้าเรานี่แหละรู้ลงทีละขณะทีละขณะนิดเดียวเล็กนิดเดียวหนึ่งขณะสําคัญนะ ในทางศาสนาพุทธอะไรหนึ่งหนึ่งสําคัญทั้งนั้นเลยเราภาวนาไปจนถึงจุดสุดท้ายนีจิตเป็นหนึ่งะจิตเป็นหนึ่งอารมณ์ก็เป็นหนึ่งทำก็เป็นหนึ่งครูบาจารย์บางองค์เรียกว่าเอกจิตเอกธรรมหรือจิตหนึ่งทำหนึ่งองค์เรียกถีติจิตถีติธรรมนะฮแล้วแต่จะเรียกเป็นหนึ่งทั้งหมดเลยหนึ่งเดียวรวดงั้นภาวนาอยู่กับหนึ่งขนาจิตต่อหน้านี้ไม่มีตัวมีตน คอยรู้ไปรู้ไปนะถึงจุดหนึ่งจิตของเราก็จะเป็นหนึ่งอยู่ ง, งั้นหมายถึงว่าไม่มีอะไรเข้ามาปรุงแต่งให้เป็นสองได้อีกละจิตที่มันเป็นสองได้เป็นสามได้เพราะว่ามันถูกปรุงแต่งเหมือนอย่างน้ําที่บริสุทธิ์นี่มีหนึ่งเดียวใช่ไหมน้ําเขียวน้ําแดงน้ำซ่าซ่าน้ําเน่าน้ําเหม็นน้ําหอมอะไรนี่เพราะมันมีของอื่นไปปรุงแต่งเอาเพราะมันกลั่นตัวเของมันจนมันบริสุทธิ์เต็มที่แล้วก็ เ, เป็นสภาวะอันเดียวร้วนๆเลย ก็เป็นความบริสุทธิ์ล้วนๆของจิตของใจเวลามีจิตใจเข้าถึงความบริสุทธิ์แล้วมาดูโลกดูสรรพสัตว์ดูตัวเองดูอะไรต่ออะไรทั้งหมดเนี่ยก็จะเห็นเป็นหนึ่งเหมือนกันรือว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนเสมอกันหมดเลยนะภาวนานะถึงจุดสุดท้ายาถึงจิตก็เป็นหนึ่งธรรมก็เป็นหนึ่งนะอยู่กับความเป็นหนึ่งนั่นแหละ อยู่กับความไม่มีอยู่กับความไม่เป็นอะไรนี่ฟังของหลวงพ่อคาเขียนท่านพูดท่านอยู่กับความไม่มีไม่เป็นนะัสสะใจถ้าคนมาเล่าว่ า, วาเนี่ยจิตเป็นอย่างนี้แล้วไปอยู่ตรงนี้นะฟังแล้วไม่สะใจฟังแล้วเอียนเอียนฝะึกเอานะาศาสนายังไม่ใช่สูญหายไปแต่เรียนให้ดีเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ดีอย่าเชื่ออาจารย์มากเกินไป สติปัฏฐานนะสำคัญนะต้องเรียนอริยสัจสี่ต้องเรีย น, รยย 4, เ, รยนเรียนปริยัติไปก่อนถ้าเราไม่รู้จักสติปัฏฐานไม่รู้จักอริยสัจไม่รู้จักไตรลักษณ์อะไรอย่างนี้นะไม่ไหวภาวนาไม่ไหวพวกนี้เป็นความรู้พื้นฐานนั่นจะเรียนพวกนี้นะหลวงพ่อเขียนไว้ให้อ่านแล้วนะเยอะแยะเลยนะไปอ่านเอาเองช่วยตัวเองหลวงพ่อช่วยไม่ไหวแล้ว เรือหลวงพ่อลำเล็กนะหลวงพ่อเป็นเรือบดลำเล็กๆเอาตัวรอดเท่านั่นแหละทายตุป๊ปปองตุ๊ปปองข้ามทะเลของหลวงพ่อเ อ, เองพวกเราก็ต้องหาเรือของเราเองนะสิ่งที่จะเป็นเรือให้พวกเราคือทำนั่นแหละทําอะไรบ้างนะีสติสมาธิปัญญานั่นแหละสติสัมมาสมาธิปัญญาหรือสัมมาสติสัมมาสมาธิสา ม, มาธิจิต สิ่งเล้วนี้ต้องพัฒนาขึ้นมาขั้นแรกพัฒนาสมมาสติก่อนไปอ่านเอาเองนะเขียนให้อ่านเยอะแยะแล้วทำยังไงสติที่เป็นสติแท้ที่เป็นสมมาสมาธิสมาสติจะเกิดสติคือความระลึกได้ฝึกยังไงแล้วสติระลึกได้เองหลวงพ่อพูดอย่างนี้แต่แรกๆนะคนไม่เชื่อนะว่าสติเกิดเองอมาเถียงหลวงพ่อก็มีนะขนาดทาแทบตายมันยังไม่เกิดเลยแล้วทําไงมันจะเกิดเองได้ จริงจมันก็ไม่ได้เกิดเองหรอกมันมีเหตุ e um. มันถึงจะเกิดจิตมันจําสภาวะธรรมได้แม่นยําสติก็เกิดพอสติเกิดนะจิตก็เป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลก็มีความสุขจิตที่มีความสุขเพราะว่าได้รู้กายได้รู้ใจตัวเองเป็นปัจจุบันก็จะเกิดสัมมาสมาธิมันจะตั้งมั่นมีความสุขแล้วก็ตั้งมั่นในการรู้กายรู้ใจเมื่อจิตมีสัมมาสมาธิรู้กายรู้ใจอยู่ด้วยความตั้งมั่นอยู่สักว่ารู้สักว่าดูอยู่ปัญญาจะเกิด คือจะเห็นความจริงของกายของใจว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราหรอกเมื่อปัญญาเกิดแล้วนะมรรคผลมันจะเกิดขึ้นมาวิมุติจะเกิดขึ้นเกิดมรรคเกิดผลขึ้นมาเมื่อมรรคผลเกิดแล้วจะเกิดวิมุติยานทัศนะขึ้นมาจะเข้าใจสภาวะแห่งความหลุดพ้นสภาวะแห่งความหลุดพ้นก็คือความไม่มีไม่เป็นอะไรที่เล่าให้ฟังนั่นเองมีแต่ความสุขร้นล้วนนะไม่ใช่ไม่มีไม่เป็นแล้วแห้งแล้งนะ มีแต่ความสุขล้วนๆแต่ก็ไม่ใช่โลกโลกหนึ่งอย่าสําคัญมั่นหมายว่านิพานเป็นโลกโลกหนึ่งพระพุทธเจ้านั่งเป็นประธานอยู่แวดล้อมด้วยพระสงฆ์มากมายห้อมล้อมอยู่พระพุทธเจ้านั่งแสดงธรรมทั้งวันทั้งคืนใครจะไปนั่งฟังอะ่ะใครจะไปฟังฟังทําไมอะ่ะแล้วจิตกระทำมันเป็นอันเดียวกันจะไปฟังอะไรอีกฝึกเอานะฝึกเอาเบื้องต้นฝึกให้เกิดสติ ให้มีสติต้องหัดจําสภาวะให้ได้จะจําสภาวะได้ต้องเห็นสภาวะบ่อยๆนะวิธีจะเห็นสภาวะบ่อยๆเบือ้องต้นทํากรรมฐานสักอันหนึ่งก่อนหัดพุดโทโธก็ได้หัดรู้ลมหายใจก็ได้หัดดูท้องคลองยุบก็ได้หัดขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้หัดรู้อิริยาบทสีก็ได้หัดรู้เวทนาก็ได้หัดรู้จิตก็ได้อันเดียวเบื้องต้นเอาอันเดียวก่อนอะไรก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ทําเพื่อให้จิตนิ่ง พวกเราส่วนมากพอไปรู้อารมณ์อันใดนหนึ่งแล้วชอบบังคับให้จิตนิ่งนะเช่นพอไปรู้ลมหายใจก็เอาจิตไปแนบไว้ที่ลมรู้ท้องของยุบก็อาจิตไปแนบไว้ที่ท้องเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าเอาจิตไปแนบไว้ที่เท้านะเอาจิตไปแนบไว้กับอารมณ์ัเดียวได้สมถะนะเป็นการเพ่งอารมณ์เรียกอารามณูปนิชฌานเป็นสมถนะีนี้เราเรื่องต้นเราก็มีอารมณ์กรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราคุ้นเคยแล้วหัดดูสภาวะ วัตถุประสงค์ไม่ใช่เพื่อเอาความสงบอย่างเดียวแต่เพื่อหัดรู้สภาวะวันใดจิตใจฟุ้งซ่านเรารู้อารมณ์กรรมฐานเพื่อให้สงบวันใดจิตใจเรามีเรี่ยวมีแรงแล้วเรารู้อารมณ์กรมกรมฐานานั้นนเพื่อหัดรู้สภาวะเช่นเรารู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยรู้ไปเล่นๆอย่าบังคับให้ใจซึมๆมทื่อๆนะของคุณไปบังคับแล้วอย่าบังคับรู้เฉยๆดูด้วยใจที่โปรงโร่งดูด้วยใจที่สบายต้องต้องสบายนะจิตที่เป็นอกุศลเท่านั้นแหะถึงจะแน่นๆ จิตที่เป็นกุศลมันโปรง่งมันโล่งมันเบางั้นเรารู้ลมหายใจไปด้วยใจสบายๆใครถนัดดูท้องพองยุบก็ดูท้องพองยุบอย่างสบายๆใครถนัดยกเท้าย่างเท้าก็ยกไปอย่างสบายๆต้องต้องเน้นคําว่าสบายนะภาวนาแล้วต้องสบายภาวนาแล้วลําบากทาผิดแน่นอนเร่อัตตกิลมัฏฐานุโยกการทำตัวเองให้ลําบากหลังจากนั้นก็คอยดูสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเช่นเราหายใจไปใจเราแอบไปคิดเรื่องอื่น รู้ว่าจิตแอบไปคิดเรื่องอื่นแล้วหายใจไปหายใจไปจิตเข้าไปเพ่งไปแนบอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ทันว่าจิตไปอยู่ที่ลมละหายใจไปหายใจไปจิตมีปีติขึ้มารู้ว่ามีปีติจิตมีความสุกรู้ว่ามีความสุขหายใจไปแล้วจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวต่อไปเราจะจำสภาวะได้มากมายเลยจิตหลงไปคิดเราก็รู้จักจิตเข้าไปเพ่งเราก็รู้จักจิตสงบก็รู้จักจิตฟุ้งซ่านก็รู้จัก จิตเป็นสุขเป็นทุกข์ก็รู้จักนะจิตโลภโกรดหลงก็รู้จักพอรู้จักสภาวะได้แม่นนะต่อไปพอสภาวะอันใดอันหนึ่งที่เรารู้จักแล้วเกิดขึ้นสติจะเกิดขึ้นเองนะสติเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเพราะว่าสติมีทิระสัญญาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดคําว่าทิระสัญญาท้ถอถุงสระอิรอเรือนะทิระคือคําว่าสะเทียนนั่นเองสถิระสะเทียนึนง ยีรัสัญญาคือการที่จิตจําสภาวะได้แม่นมันจําได้แม่นเพราะเราหัดดูทุกวันทุกวันนะหัดรู้จักไปใจลอยแล้วก็รู้จักจิตเข้าไปเพ่งก็รู้จักจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้ดีชั่วอะไรก็รู้เรื่อยๆแล้ไปสติจะเกิดเองเลยอย่างพอเราจําได้ว่าใจลอยเป็นยังไงพอเราอยู่ในโลกข้างนอกเงี้ยพอใจลอยแวบนะสติจ ะ, ะระลึกขึ้นได้เองเลยว่าใจลอยไปแล้วละระลึกเองนะว่าใจลอยไปแล้วมีคําว่าแล้วด้วยนะหมายถึงว่าใจลอยไปก่อนแล้วรู้ว่าใจลอย ทำไมต้องให้มันเป็นไปก่อนเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้ตามรู้นะคําว่าจิตตานุปัสสนามาจากคาว่าจิตคําว่าอนุคําว่าปัสสนาปัสสนาคือการเห็นนะอนุแปลว่าตามอย่างอนุชาเนี่ยผู้เกิดตามมาทีหลังแปลว่าน้องนะน้องชายอนุภรยาภรยาที่มาทีหลังไม่ใช่ภรรยาตัวเล็กนะภรรยาที่มาทีหลังแต่ภรรยาที่มาก่อนมากจะตัวโตวดูในการ์ตูนนะ่ะนะในขายหัวล่อถ้า เห็นรูปก็รู้แล้วนี่เมียหลวงต้อว้วนๆถือศากกระเบืออันนึงนะเป็นอาวุธนะถ้าเมียน้อยต้องเอวบางร่างน้อยเนี่ยดูในกระตูนเขาก็เขียนอย่างนั้นความจริงนนอนุภรรยาคือภรรยาที่มาทีหลังนะอนุปัสนาคือการตามเห็นนั่นเองจิตตานุปัสนาคือการตามเห็นจิตนะจิตโลภขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าจิตโลภจิตโกรธขึ้นมาแล้วรู้ว่าจิตโกรธจิตหลงแล้วรู้ว่าจิตหลงนะ จิตหดถูรู้ว่าหดหูจิตสงสัยรู้ว่าสงสัยจิตสงบจิตฟุ้งร้างรู้ไปอย่างที่เขาเป็นแต่และอย่างตามดูไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้าเราตามรู้ตามดูนะันเนี่ยสติตามดูไปเรื่อยใจตั้งมั่นอยู่อย่าถล่มลงไปพวกเราเกือบร้อยละร้อยเวลาที่ไปรู้อารมณ์เนี่ยจะกระโจนลงไปรู้ถล่มลงไปรู้หน้าขมำเลยหัวทิ่มลงไปนะจะหน้าขม ำ, ำลงไปรู้เช่นดูท้องพังยุบเนี่ยใจถล่มลงไปอยู่ที่ท้อง รู้ลมหายใจใจไปอยู่ที่ลมนะขยับมือหมอหลังสันแต่ก่อนเนี้ยขยับมือใจไปอยู่ในมือนี่ถล่มลงไปรู้นี่จิตไม่ตั้งมั่นนะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นไม่มีสัมมาสมาธิปัญญาจะไม่เกิดแต่ถ้าจิตตั้งมั่นมันจะเห็นเลยไอตัวที่เคลื่อนไหวอยู่นี้มันไม่ใช่เราเห็นทันทีเลยจะเห็นทันทีความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็เห็นทันทีว่าไม่ใช่ตัวเราคร dans, ูสอนอาครูสอทั้งหลายก็จะเห็นทันทีว่าไม่ใช่ตัวเรา จิตที่เกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดแล้วดับไปดับไ ป, บไปก็ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยต้องเห็นอย่างนี้นะซ้ําไปซ้ำมาซ้าไปซ้ามาวันหนึ่งใจยอมรับใจอยอมยำรับความจริงเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมถ้าพูดภาษาไทยก็คือจิตใจเรายำรับความจริงนะนั่นเองยำรับความจริงว่าตัวเราไม่มีหรอกกายนี้ใจนี้เป็นสมบัติของโลกนะเกิดแล้วก็ดับไปตั้งอยู่ช่วครั้งชั่วคราวแล้วก็หายไปนะไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงนี่ได้พระโสดาบัน ฝึกน้าแล้ววันหนึ่งจะได้เห็นโลกว่างเปล่าเคยมีคนหนึ่งชื่อโมโคราชโมคราชเป็นลูกศิษย์พราหมภาวรีพรามภาวรีเนี่ยเป็นพราหมใหญ่สมัยพุท ธ, ธากาลมีลูกศิษย์เอกอยู่สิบหกคนนี้พอพราหมภาวรีได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วก็เลยส่งลูกศิษย์สิบหกคน ไปศึกษาธรรมะจากพระพุทธเจ้านี่น้ำใจของครูบาอาจารย์นะไม่ได้กีดกันห่วงแหนเอาลูกศิษย์ไว้เลยตอนนี้รู้ว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วนะส่งไปเลยส6บท่านบอกให้ไปถามปัญหากับพระพุทธเจ้าก็มีองค์หนึ่งเป็นถ้าตามซนะีนิิตี้นจะเป็นอันดับสามประมาณนั้นแนหะพอองค์ที่หนึ่งถามองค์ที่สองถามนะถึงท่านท่านโมคราชชื่อท่านโมคราชก็จะถามว่าง บอกค้าแต่พระองค์ผู้เจริญเราเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชจึงไม่เห็นเราคำนองเนี้นะเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชจึงยังมองไม่เห็นพระพุทธเจ้าไม่ตอบท่านก็รอไปเดี๋ยวคนอื่นถามอีกนะแล้วท่านก็ถามแทรกอีกพระพุทธเจ้า ก, ก็ไม่ตอบนะจนถึงอันดับลองโลเลยท่านโมคราชก็บอกว่าเนี่ยผมถามมาสองครั้งนะนี่ครั้งที่สามแล้ว ขอให้พระองค์ช่วยบอกหน่อยเถอะว่าบุคคลเห็นโลกอย่างไรบุคคลตามเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชจึงมองไม่เห็นพะพุทธเจ้าบอกดูก่อนโมคราชบุคคลเห็นโลกว่างเปล่าว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนนะมัจจุราชจะมองไม่เห็นนี่อยู่ๆเราจะไปเห็นโลกว่างเปล่าไม่ได้นะโมเมียเองไม่ได้เราต้องเห็นโลกตามความเป็นจริงก่อนตามที่เราเห็นก่อนเห็นแล้วก็รู้ไปจิตใจเราเป็นยังไงกายเราเป็นไงคําว่าโลกไม่ใช่สิ่งอื่นนะ คำโลกไม่ได้แปลว่าโลกข้างนอกนี้นะคำว่าโลกในทางศาสนาพุทธนี่คือขันห้านั่นเองคือรูปกัะ น, นามคือกายกระใจเรล่านี้เองที่เรียกว่าโลก เ, เลยมีคำว่าโลกนี้ใช่ไหมยาวาอะไรนานาคืบกว้างศอกอะไรเงี้ยแต่หลวงพ่อต้องหลายศอกหน่อยเนี่ยโลกสิ่งที่ท่านเรียกว่าโลกก็คือกายกระใจ น, นั่นเอง ผู้ใดเห็นโลกว่างเปล่าคือเห็นกายเห็นใจนี่ว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนนะมัจจุราชจะไม่เห็นเพราะอะไรเพราะมัจจุราชเห็นได้แค่าธาตุแค่ขันสิ่งที่มันตายไปคือาธาตุคือขันคือกายคือใจนี่มันตายไปแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์หลุดพ้นล้วนๆเนี่ยไม่เกิดไม่ตายมัจจุราชมองไม่เห็นเหมือนมีพระองค์หนึ่งท่านตายไปปุ๊บมารลิบเที่ยวหาใหญ่ เกิดเหมือนพายุหมุน ล, ลูกเล็กๆวิ่งไปวิ่งมาพระก็ถามพระพุทธเจ้าบอกเอ๊ะพายุหมุนนี้แปลกๆเกิดจากอะไรท่านบอกว่ามารกําลังเที่ยวตามหาจิตของพระชื่ออะไรไม่รู้จําไม่ได้ละพระอะไรนะจําได้ไหมจําไม่ได้ฝ่ายวิชาการจําไม่ได้ <c oughs> แต่มารหาไม่พบเพราะท่านองนี้นิพพานซะแล้วนะไม่พบ ถ้าเมื่อไหร่เราปล่อยความยึดถือกายยึดถือใจนะกายกับใจมันก็ตายของมันไปนะแต่เราไม่ตายด้วยธรรมชาติที่บริสุทธิ์ล้วนๆไม่เกิดไม่ตายศึกษาเอานะค่อยเรียนไปค่อยรู้ไปนี่หลวงพ่อไม่ได้เทศแบบนี้มาหลายวันแล้วนะตอนหลังๆนี่โอ๊ยทำไมเทศอะไรก็ไม่รู้เลอะเทอะมัน <laughs> อยู่ที่คนฟังนะอยู่ที่คนฟัง มันฟังฟังได้แค่นั้นอ่ะมันก็ได้แค่นั้นนะธรรมะไม่ออกมาหรอกวันไหนจะเทศเกินที่คนฟังจะฟังได้นะมันจะฝืดเราต้องใช้เรียวใช้แรงในการผลักดันธรรมะออกมานึกถึงที่ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านบอกเหมือนเข็นควายขึ้นภูเขาอ่ะไม่ใช่เข็นคลกนะสอนพวกหัวดื้อ น, นะเหมือนเข็นควายขึ้นเขาจริงเพราะเข็นโคลกนะอย่างมากมันก็กลิ้งลงมาใช่ไหมเข็นควายมันแว่งเอาได้นะ ลำบากกว่ากันเยอะเลยงั้นถ้าเราฟังธรรมะด้วยใจที่เปิดใจที่กว้างธรรมะเข้าสู่ใจง่ายไม่ฝืดไม่ฝืนคนแสดงธรรมก็ไม่เหนื่อยอย่างหลวงปู่มั่นนาะท่านสอนลูกศิษย์ท่านนี่ไหมท่านเทศทีหนึ่งหลายชั่วโมงเลยไหมทำไมอายุตั้งเยอะเทศได้เพราะลูกศิษย์ท่านไม่ต้านถืนต้านก็กระเด็นเลยท่านดุ แต่ใจมันไม่ต้านธรรมะนะธรรมะมันก็ไหลออกมาเองถ้าใจต้านธรรมะธรรมะหนีไปหมดเลยอย่างหลวงปู่ขาวอายุก็เยอะนะหลวงปู่ขาวตอนหลังๆจะยังเดินได้ตอนนั้นนะ่ะนั่งคุยอยู่กับพระดีๆอยู่ๆนะลุกขึ้นคว้ากรดนะคว้ากรดควายามลุกขึ้นพรวดพลาดไปละพราถามหลวงปู่จะไปไหนบอกเราจะต้องหนีแล้วธรรมะเราน้อยเราสู้เขาไม่ได้คนก็ไม่รู้ท่านหนีอะไรขึ้นเขาไป อีกแป๊บเดียวรถทัวร์เข้ามาหลายคันเลยทนะ <c oughs> ่าอ๋อหนีหวองนี้เองพวกนี้มาถึงก็จะอ้าเป่ากระมอมเป่ากระมอม <c oughs> ให้คนอายุเกือบร้อยปีเป่าร้อยคนก็ตายแล้วนะ <c oughs> ไม่ได้มาเอาธรรมะเนีย่ยมาเอาเฮงเ <c oughs> พราะเราชาวพุทธเฮงต้องเฮงด้วยตัวเองนะ <c oughs> นอกนั้นคือโดนหลอกไปซื้ออันนี้มาห้อยแหมขลัง เฮงมันจะเฮงอะไรนักหนามันเฮงให้คนทำขายนั่นแหละว่าไงคุณมนว่าไงมันจะรบกวนหลวงพ่อช่วยเข็นควายอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะเมื่อกี้หลวงพ่อพูดตรงที่แบบว่าพระองค์ที่ถามว่ามัจจุราชไม่เห็นใช่ไหมคะเสร็จแล้วหลวงพ่อก็กำลังจะวนให้อีกรอบนึงแล้วหลวงพ่อก็จบอะค่ะหลวงพ่อมามาโผลให้หน่อยหนึ่งตรงที่ว่าออจะเห็นโลกอย่างนี้ได้ในว่างเปล่าได้ต้อง ต้องเห็นโลกตามความเป็นจริงก่อนแล้วหลวงพ่ อ, อทำท่าจะต่ออีกรอบหลวงพ่อหยุดนะออหยุดเพราะว่าพูดไปหมดแล้วการเห็นโลกตามความเป็นจริงเขาต้องมีสติไงใช่นะกำลังจะวนอีกรอบวนก็กะรออีกรอบมีสติมีสัมมาส ม, มาธินะไม่ใช่เทปนะไดนะวนไปวนมา <c oughs> จบแล้วจบเลย <c oughs> ไครฟังเอาเองมีซีดีเยอะแยะเดี๋ยววันนี้ให้โยเอาไปลงนะ เอาอะไรธรรมะจะมาเอาอะไรธรรมะที่หลวงพ่อนะธรรมะที่หลวงพ่อหลวงพ่อก็ทำบุญหลวงพ่อมาเองธรรมะเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะใครทําใครได้คนนั้นทำต้องทำเอาเองธรรมะไม่ได้อยู่ที่ครูบาอาจารย์ธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดแต่ธรรมะอยู่ที่กายที่ใจของเรานี้นะมีสติรู้ลงไปรู้ลงไปมันทนสติทนปัญญาเราไม่ได้ถ้าเราไม่ประมาท ประมาทก็คือขาดสติขี้เกียจขี้คลานวันวั น, วนหนึ่งใจลอยทั้งวันนี่พวกประมาทอีกพวกหนึ่งเพ่งเอาเพ่งเอานะนั่งจ้องเอาคอยจับผิดตัวเองอย่างนั้นไม่ดีเครียดอย่างนั้นก็เครียดไปไม่สบายทั้ทางสายกลางไม่เผลอไปไม่บังคับตัวเองรุนแรงคอยรู้กายคอยรู้ใจไปสบายสบายนะรู้ไปเรื่อยแล้วเกิดอะไรขึ้นก็อย่าเพิ่งเชื่อ ไม่ใช่นั่งภาวนาไปเกิดอะไรบุบบวาบวาบนะั้นบอกบรรลุแล้วพอบรรลุแล้วก็มาหาหลวงพ่อนะจะให้หลวงพ่อรับรองให้ส่วนมากถูกฆาตกรรมกลับไปหมดเลยน้อยรายนะาที่จะรอดเพราะเราชอบเนื้เอเองไม่ใช่ว่าหลวงพ่อเก่งอะไรนะหลวงพ่อก็ถามเจ้าตัวเองอว่ายังรู้สึกไหมมีเราอยู่คือถ้าเป็นพระโสดาบันนะ่มันจะไม่มีเราล้ บอกเป็นพระโสดาบาันพระอนาคานะตัวเรานี่ยังเข้มข้นอยู่เนี่ยความรู้สึกว่ามีเรานี่ยังเข้มข้นอยู่ในจิตในใจนี่ไม่ใช่ของจริงหรอกนี่เห็นแค่นี้ก็เห็นแล้วมันกิเลสนั่นแหละสักยัติจิตมันยังไม่ขาดแค่นี้ก็รู้ว่าไม่ใช่อย่าเชื่อง่ายนะค่อยรู้ค่อยดูค่อยสังเกตซ้ําแล้วซ้ําอีกสภาวะทำอะไรเกิดขึ้นค่อยสังเกตซ้ําแล้วซ้ําอีกหลวงพ่อนะันเป็นคนที่เดินด้วยความระมัดระวัง ภาวนาเหมือนเดินอยู่ในสนามที่วางทุ่นระเบิดไว้เดินแต่ละก้าวนะแบบยังดูก่อนทุกทีไม่เชื่อมั่นอะไรแล้วลุยพรวดๆรวดพวดพวดนะสังเกตเราภาวนาไปจิตใจเราดําเนินไปอย่างนี้ถ้าจะดีนะไม่เดินต่อจากจุดนั้นนะกลับมาที่เดิมใหม่มานับหนึ่งใหม่ทําอีกซ้าอีกวันจะไปช่องนี้อีกแล้วรู้มันไปเอ อ, อย่างนี้จําไว้นะเดี๋ยวทอยกลับมาเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่นับหนึ่งเรื่อย นับหพอเดินตรงนี้อ๋อมันเบี่ยงไปนิดหนึ่งตรงนี้เองเห็นละเบี่ยงเบนไม่ใช่ไม่ใช่เราเสียใจไหมไม่เสียใจไม่มีเวลาเสียใจมันผิดไปแล้วเอาใหม่นับหนึ่งใหม่มารู้กายมารู้ใจใหม่นับหนึ่งลูกเดียวเลยนะนักปฏิบัติเกิดอะไรขึ้นนะอย่าไปเชื่อมันย้อนกลับมานับหนึ่งมาดูกายดูใจของเราจนภาวนาถึงขั้นที่ละเอียดละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆนะภาวนาไปจิตหลุดปุ๊บ สบายโล่งไปหมดแล้วโลกธาตุนี้เปิดสว่างไสวหมดนะก็ยังไม่ยอมเชื่อนะเดี๋ยวขอดูหลายๆวันกันนะเคยมีองค์หนึ่งนะสอนหลวงพ่อไว้องค์นี้ท่านก็อศัศจรรย์พระจริงหลวงพ่อกิมหลวงพ่อกิมก ม, ก ม, มัดป่าดงคูท่านรู้ว่าเราไม่ค่อยได้อยู่กับครูบาอาจารย์ท่านสั่งไว้เลยประโมทถ้าสภาวะทาใดๆเกิดขึ้นนะประโมดูมันสามเดือนนะอ ถสมเดือนนี้มันไม่เปลี่ยนแปลงนะ่ะมันค่อยเชื่อได้นะนี่ให้ดูทั้งสามเดือนหน่อยนะคือ <c oughs> ถ้าน้อมใจเชื่อนะภาวนาวบว่างไปหมดแล้วอ้าบรารู้พระอรหันต์แล้วนะนอนตีภูมิคนนี้ <c oughs> กิเลสหามเอไปกินเลยเราก็ต้องไม่เชื่อนะค่อยๆดูค่อยๆสังเกตโอจิตใจที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสว่างสวัเนี่ยมันมองได้มันมัวได้อีกเลยไม่ใช่แล้ไม่ใช่ของจริง บางวันก็ฝืดฝืดแข็งแข็งได้อีกนะไม่ใช่ของจริงแล้วก็ต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่นับหนึ่งเรื่อยเลยนะนับหนึ่งไปทำไปทำไปผิดอีกแล้วกลับมาตั้งต้นใหม่เคยเล่นเกมไหมที่เป็นช่องช่องอะเป็นแล้วให้เดินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปเจอทางนี้ตันทางนี้ตันอะไรเงี้ยคล้ายๆกันนะเวลาเราภาวนาเดินไปทางนี้ตันนะกลับมาตั้งหลักก่อนมาตั้งหลักใหม่นะเดินใหม่ไปลองทางนี้ ลองแล้วลองอีกลองแล้วลองอีกนะจนกระทั่งโอมันไม่เปลี่ยนแปลงละถ้าต้องไม่เชื่องง่ายไปดูเอามันทนสติทนปัญญาเราไม่ไหวหรอกซักฟอกมันก็ไปอย่าไปเชื่อมันเท่านั้นแหละคอยสังเกตเอาโอ้วันนี้ไม่ได้ให้ถามถามไม่ไหวเยอะเกินเหลือเวลา10บนาทีก็จะ ต, ต้องแบ่งให้ละบ้างเนาะ เอาเหลืออีกสามสี่นาทีเอาเดี๋ยววันนี้อากูสนจะให้ผลหลวงพ่อด้วยหมอจะมาจับฉีดยาอีกแล้วเอาใครจะถามเชิญมีไหมอ่ะได้สักคนสองคนนะ่ะครับนำ้ำมศการหลวงพ่อครับเพิ่งเพิ่งมาเออยกไหม่เอ า, าเอาเอาเอไม่ต้องเออยังเพิ่งมามีโอกาสฟังหลวงพ่ อ, อครั้งนี้ครั้งที่สามเคยไปฟังที่สาราหลวงชินมาก่อนนะครับแล้วก็ฟังซีดีมาบ้าง อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่ามีอุบายอะไรที่ทำให้จิตมันไม่ถลําลงไปเพ่งเวลาให้รู้ทันมันนะไม่มีอะไรเกินจากการรู้ตามความเป็นจริงอุบายไม่สำคัญะ่ะให้รู้ตรงความเป็นจริงสำคัญกว่าการที่จิตเราถลาลงไปเพ่งแท้จริงมันก็ไม่ได้เพ่งของมันเองแต่เราฝึกเพ่งมาหอวงคุณติดเพ่งจิตมันจะถลาดูออกแล้วใช่ไหม่ะถลลงไปเพ่งถ้าดูออกแล้วไม่ค่อยมีปัญหาละอย่าอยากหาย แต่ว่าอย่าไปปฏิบัติมันอีกใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาคืออย่าไปเพ่งมันอีกอะ่ะพอไม่เพ่งมันอีกเดี๋ยวมันก็หายของมันได้เนี่ยใจแอบไปคิดแล้วทราบไหมของคุณมันเพ่งยืนพื้นเลยนะเพราะงั้นคุณหลงบ่อยๆไว้เวลาหลงมันเพ่งไม่ได้เนี่ยหลงบ่อยๆหมายความว่าไงครับรู้จักใจลอยบ้างไหมครับรู้สึกไหมใจของเราหนีไปคิดแวบแวบแวบอยู่ตลอดเวลา ตอนที่ใจหนีแวบๆไปสังเกตไหมไม่ได้เพ่งเพราะขณะที่แว บ, บไปเนี่ยมันจะไม่เพ่งขณะที่เพ่งเนี่ยนะมันเกิดจากอยากปฏิบัติก่อนพอยากปฏิบัตินะก็เลยกําหนดจิตเข้าไปในอารมณ์มันเดียวแล้วจิตก็เลยไปค้างอยู่คนะ้างอยู่แล้วทํำยังไงจะเลิกเลิกไม่ได้ตามใจชอบไม่ได้เพราะว่าเป็นอนัตตาเหมือนกันไปฝึกมันไว้อย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่ามันก็ขอไม่เจี่ยงต้องตั้งหลักให้ดีอย่าตกใจวันหนึ่งมันต้องหาย ถ้าเราไม่ไปทำเหตุของมันผลมันจะค่อยๆหมดไปเหตุของมันก็คืออย่าอยากปฏิบัตินะถ้าอยากปฏิบัติให้รู้ว่าอยากปฏิบัติเลยถ้ามันอยากปฏิบัติแล้วดูไม่ทันจิตถลำลงไปจ้องให้รู้ว่าจิตถลำลงไปจ้องถ้าจิตถลำลงไปจ้องแล้วไม่ชอบมันให้รู้ว่าไม่ชอบมันฝึกรู้อย่างนี้เรื่อยๆ เ, ح, เดี๋ยวก็คลายได้แต่ง่ายที่สุดเลยนะคือลืมมันไปเลยลืมคาว่าปฏิบัติซะ ใช้ชีวิตธรรมดาเนี่ยถือศีลห้าไว้ก่อนนะถัดจากนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจนะให้มันกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติอย่าไปฝืนมันนะไม่ใช่ว่าห้ามดูห้ามฟังห้ามคิดไม่ใช่ให้มันคิดไปให้มันดูไปพอมันคิดไปมันดูไปแล้วก็ไม่ไปตรึงจิตให้นิ่งปล่อยให้จิตเกิดปฏิกิริยาตามธรรมชาตินะเช่นเห็นสาวสวยใจมันชอบขึ้นมารู้ว่าชอบ เ, เห็นไอ้คนนี้เกลียดมันรู้ว่าเกลียดอย่าไปแกล้งทําใจให้ทื่อๆถ้าไปกดไว้มันจะนิ่งๆไม่มีอะไรให้ดูเลย เนี่ยฝึกอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไปต่อไปมันก็เกิดปัญญาเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นดับทั้งสิ้นนั่นแหละใจหนีไปคิดแล้วทราบไหมสังเกตไหมมันจะเกิดสามแบบอันแรกหลงไปคิดอันที่สองรู้ว่าหลงไปคิดอันที่สามเพ่งพอรู้ว่าหลงไปคิดปุ๊บกลัวจะหลงอีกก็เลยไปเพ่งไว้อย่ากลัวหลงนะหลงบ่อยๆดียิ่งบ่อยยิ่งดีนะแต่หลงนานไม่ดี คนทั่วไปหลงนานตื่นขึ้นมานะั้นหลงเลยหลงจนค่ำจนดึกเลยน่าหลับไปก็หลับไปกับความหลงเองของเราให้หลงบ่อยๆใจเราเหลือแวบไปเรารู้ทันแวบไปเรารู้ทันเนี่ยใจแอบไปคิดอีกแล้วซ้ำไหมของคนมันติดเดยอะไปนิดนึงมันติดจนซึมเลยบางทพีพอรู้ว่าหลงเนี่ยมันก็มีความรู้สึกตัวขึ้นมาแต่ว่าพอรู้ว่าเพ่งมันไม่ออกมันจัไม่หาย น, น, นะครับ เพาตอนที่หลงเนี่ยจิตเป็นอกุศลตรงที่เพ่งมันไม่ใช่อกุศลนะเพ่งนจิตมันพยายามทํากุศลมันอยากปฏิบัติทำเพราะงะั้นพอสติเกิด น, นะจิตที่เพ่งอยู่ไม่จําเป็นต้องดับแต่จิตที่เผลอเนี่ยเป็นอกุศลทันทีที่สติเกิด น, นะจะดับทันทีคนละสไตล์กันอันนึงเป็นความปรุงแต่งฝ่ายอกุศลเหลอไปเนี่ยอันนึงเป็นความปรุงแต่งฝ่ายกุศลการเพ่งไว้ การมาสุขาริการนุโยกการเพลิดเพลินไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่หลงไปนั่นเองเป็นอกุศลอัตตากริะมัฏฐานุโยกการบังคับกายบังคับใจเป็นความปรุงแต่งฝ่ายกุศลแต่สุดโต่งสองข้างใช้ไม่ได้ทั้งคู่นะทั้งดีทั้งชั่วติดทั้งสองข้างนี่ติดฝั่งสองฝั่งสฝัง่งนะฝั่งซ้ายฝั่งขวาของคุณมันติดฝั่งเพ่งฝั่งประคอง แต่อย่ารุ่มใจนะอย่าท้อใจใจเหี่ยวไปนิดนึงแล้วดูออกไหมออย่าให้มันเหี่ยวลงไปอย่างนั้นสดชื่นไว้อย่างนั้นแหละ ย, ยิ้มสู้ไว้น ะ, ะได้อีกคนน้มัสการหลวงพ่อครับเวลาผมทํางานดังดักเนี่ยจะออกมาลุยทีนเนี่ยรู้สึกมันยากมากเลยครับมันไม่ไหวเวลาเราเหนื่อยเนะี่ยอย่ามาดูจิตเหนืยเหนื่อยนะทําใจให้สบายก่อน เวลาเราเพลียหรือเราเครียดนะทําใจสบายๆให้ผ่อนคลายก่อนหลวงพ่อแต่ก่อนเวลาทํางานพอทําไปเป็นชั่วโมงมันเหนื่อยแล้วใช้วิธีเดินไปห้องน้ําตอนเดินไปห้องน้ำเนี่ยดูจิตยังไม่ได้ดูร่างกายมันเดินไปก่อนร่างกายมันไปยืนฉี่ใช่ไหมถ้าฉี่เสร็จแล้วมันรู้สึกสบายใจรู้ว่าสบายใจนี่กลับมาดูจิตได้ล้ขากลับเดินกลับมาเนี้ยดูจิตมาได้ละเพราะฉะนั้นถ้าเรากําลังทํางานตะลุมบอลกับมันนะเครียดอย่างเงี้ย ดูยังไม่ได้ให้ผ่อนคลายก่อนหลวงพ่อเคยถึงขนาดมีคนหนึ่งนะเครียดจัดเครียดทําอะไรก็ไม่หายเครียดหลวงพ่อก็าถามเขาว่าเขาทําอะไรแล้วมีความสุขบ้างเขาบอกเขาชอบฟังเพลงบอกไปฟังเพลงก่อนพอฟังเพลงพอจิตใจผ่อนคลายนะก็รู้ว่าใจผ่อนคลายอย่างนี้เขาดูต่อได้เราั้นเราเราฝืนทีเดียวไม่ได้การทํางานทางโลกนี่ทําให้ล่าช้าไหมครับ ไม่ช้าถ้าไม่ใช่งานอากักขศล์นะไม่ใช่มือปืนรับจ้างอะไรเงี้ยไม่เป็นไรันะ้างงานทางโลกสุจริตเนี่ยถ้าเราภาวานาเป็นเราจะพบว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้กินเวลาของการทำงานเราสามารถหลอมรวมการปฏิบัติเข้าในชีวิตประจาวันได้เมืเ่อไหร่เราภาวานาได้เลยในชีวิตของเราธรรมดานี่แหละอย่างหลวงพ่อแต่ก่อนก็ภาวานาตั้งแต่เป็นโยมนะตั้งแต่ตื่นนอนก็ต้องรู้สึกแล้ว อยากตื่นนอนนึกได้วันนี้วันจันทร์ใจแห้งแล้งรู้ว่าแห้งแล้งตื่นนอนมานึกได้วันนี้วันศุกร์นะใจสดชื่นรู้ว่าสดชื่นนั่งรถไปเจอไฟเขียวดีใจเจอไฟแดงหูดหงิดก็ดูใจของเราไปเรื่อยจะกินข้าวเจอของอร่อยเจอของไม่อร่อยใจเราก็ไม่เหมือนกันเราก็ดูไปเรื่อยๆเราเห็นใจเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันถึงเวลาทํางานตั้งใจทํางานไม่ใช่เวลาดูแลทํางานไปพักหนึ่งชักเกิเครียดแล้วรู้ว่าเครียดเครียดไม่ใช่งาน หรืออยากรีบทำงานให้เสร็จคนมาชวนเราคุยเราโมโหรั่วโมโหเนี่ยมันไม่ได้เบียดบังเวลาทำงานนะก็ฝึกให้ได้ในชีวิตประจำวันกล่าวน้อมรักาการท่านพระอาจารย์นะครับผมก็เพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกแต่ได้เจอท่านพระอาจารย์ที่กาญจนบุรีก็สารนรงชิน น, นะครับก็ได้ฟังซีดีของท่านบ้างแต่ก็มาปฏิบัติแต่ไม่รู้ว่าทราว่าถูกต้องหรือเปล่า แต่ก็ยังมีรู้สึกว่าผมติดเพ่งหนักติดเพ่งใจยังเพ่งอยู่รู้ทันแล้วก็ไม่รู้ทันยังไงไม่ต้องทําอะไรรู้เล่นๆไปมันสับสนไปหมดเลยว่าอันนี้ถูกไม่สับสนให้รู้ว่าสับสนรู้ลมปัจจุบันเลยบางทีดูลมหายใจแล้วมันก็แบบหนักไปเลยนะหนักเพราะเราไปเพ่งเราบังคับจิตให้สงบต่อไปถ้าอยากอยากจะรู้ลมหายใจให้รู้ว่าอยากไปเพ่งลมหายใจให้รู้ว่าเพ่งหนักแล้วรู้ว่าหนัก หนักแล้วอยากหายรู้ว่าอยากหายหไม่หายอย่างใจโมโหมันแล้วรู้ว่าโมโหเนี่ยรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆนะรู้ใจของเราเป็นปัจจุบันไปใช้เวลาไม่มากหรอกถ้ารู้ใจลงปัจจุบันนะะดูเข้ามาให้ถึงใจแล้วการภาวนาจะสั้นนิดเดียวเพราะอะไรเพราะใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใช่ไหมจิตใจเรานี่แหละจะเป็นกุศลอะกุศลก็อยู่ที่ใจจะบรรลุมรควุนนิพพานก็อยู่ที่ใ จ, จ, รใจเรียนรู้เข้ามาให้ถึงใจนะแล้วสั้นนิดเดียวเลยไม่ต้องอ้อมๆ เสียเวลาขอบคุณบังคับเยอะไปลดความจงใจปฏิบัติลงใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาถือศีลหแล้วใช้ชีวิตธรรมดาแล้วจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็ค่อยตามรู้เอานะลดการทำในรูปแบบลงนิดนึง่งได้แค่นี้โยมเชิญไปพดทุวันหมดแรงทีแรกหลวงพ่อกะให้โยทาซีดีเพื่อว่าโยมจะได้ฟังแล้วไม่มานะ